ก็เราได้ฟังการให้ข้อคิดกับท่านพีมนพี่เนี่ยมาได้ที่หลีกเล้นดีมากเป็นพิเศษที่อาศัยท่านเพราะท่านไปอยู่ก่อนมาท่านมาอยู่ตั้งห้าหกปีโดยที่ไม่กลับบ้านในะชวนไว้ไหนก็ไม่ไปในะอยู่ที่ถ้ำนะี่พ่อแม่พี่น้องไม่ห่วงเลยนะั่นเองนะทีนี้เป็นพระหนุ่มรูปเดียวที่ในถ้านี้มีพระมาปฏิบัติเป็นร้อยๆแต่มาชวนเจริญสติอย่างนี้ไม่เอาแต่ท่านมี่นเอานะ ว่าส่วนใหญ่พระที่มาเจริญสมถทานนี่แล้วก็ติดสงบติดสงบติดเล็ดติดเด็ดแล้วในที่สุดก็มีเทวดาไปทดลองพอเทวดาไปทดลองว่าเป็นคนไม่ได้ตั้งใจต่อพุทธธรรมจริงจังก็ถูกหลอกแทบพลุกลว่าทัยเทวดาทดลองคืออะไรก็คือเขาก็ไปถามเอาเลขกเอาหวยนั่นแหละพอเราเผลอบอกนิดเดียวเนี่ยเราจะเสียเสียพิศีณทันทีนะเพราะฉะนั้นการไปขอเล่ขอหวยขอ เบอร์ของของดีกับพระเนี่ยอย่าลืมว่านั่นเป็นการไปทำภาห้พระผิดศีล น, น ะ, ะเพราะฉะนั้นท่านพิมลมาเจริญสติก็เราซึก่อนก็นมัดระวังเรื่องนี้ได้ดีพวกพรานพวกคนเข้าป่าไปหาของเนี่ยเขาต้องการไปหาพระหาเจอพระแล้วก็มาโดนมาหลายๆครั้งแต่ไม่มีเจตนาเขามาตามข อ, อเมื่อวานนายมง มาตามหายมาม า, มาไปเพราะจุดแรกที่มาไปสร้างที่หนองโหลอด ป, ปีนี้อยาไปทํารั้วให้มาบอกว่าเอาเสาเอามาเท่านั้นตดนท่านี้ตด น, น, นเขาไปซื้อไปหวยมันก็ถูกขึ้นมาเพราะถูกขึ้นมานก็ตามมาอย่างเงี้ยเราก็ไม่มีเจตนี <laughs> ่ย่งไปที่เชีง ย, ยงรายโยมผู้หญิงคนหนึ่งถือดินสอถือกระดาษวิ่งก็มาขอหวยเอามาไม่ให้บอกเอากระดาษขึ้นไป ทีนี้ไอ้กระดาษที่เข้ามามันเป็นกระดาษปฏิทินที่เขาฉีกมาไงเขาก็ไม่เปิดเขาเคซื้ออย่างนั้นทุ่งวันเลยเก็ถูกทุ่งวันตรงกันนะเนี่ยที่ว่าเทวดามันจะทําทําให้เราเสียคนเพราอย่างนี้พระที่มุ่งเพื่อมรผลนิพพานเนี่ยจะไม่ยุ่งกับเรื่องนี้เลยนะแต่พระที่ยุ่งกับเรื่องหวยเรื่องเบอร์เรื่องเครื่องรางของขังเนี่ยแสดงว่าไม่ใช่มุ่งมรผลนิพพานเป็นชีวิตการมุ่งมรรผลนิพพานเป็นชีวิตจะไปแตะต้องเรื่องนี้ไม่ได้เพราะถูกเทวดาเขาทดลอง ว่าเราคนจริงไหมเพราะไปถ้าเราไปคุีเรื่องนี้ปั๊บเนี่ยพอเขาถูกหวยแล้วก็ราบสั ก, การาระมันเกิดพอราบสั ก, การาระเกิดเราก็ไปฏิราบศักกระใช่ไหมอยู่สบายกินสบายมรรคนลนิพพานก็หายไป ừ ừ เพราะฉะนั้นมาก็เลยว่าเรื่องเรื่องการปฏิบัติที่เข้าขั้นมรรคนิพพานต้องถูกทดสอบอ่าต้องถูกทดสอบทุกขั้นตอนนะที่ว่าท่านบอกว่าน่าคิดอย่างคือว่าการ ปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าความต้องการเข้าเราถูกตอบสนองมากเกินไปเนี่ยกิเลสมันมันมีน้ำเลี้ยงกิเลสมันมีอาหารเราอยากจะได้ได้อะไรทําอะไรก็ทําตามปับ๊บกิเลสมันก็โตขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเราไปอยู่ที่สงัดวเิเวกอยู่ที่ลําบากเนี่ยเราจะทําจะคิดจะสร้างจะทําอะไรเนี่ยมันไม่มันไม่ถนัดมันไม่ได้อย่างใจพอไม่ถูกตอบสนองบ่อยบ่อยเข้า บ, บ่อยเข้าบ่อยเข้ากิเลส ม, มันก็ยี่เกียดอยากเหมือนกันว่างั้นเถอะ อยู่ข้างบนไม่จะลงไปเก็บผักสักหน่อยนี่ก็ต้องลงไปข้างล่างก็จะได้กลับขึ้นมาข้างบนเนาะก็จะกินผักสักมื่อหนึ่งเนี่ยต้องเหนื่อยแทบตายนะเพราะฉะนั้นคิดว่าจะไปเก็บผักเนะี่ยมันก็ไม่ไหวเหนื่อยแล้วไม่คุ้มกันเพราะฉะนั้นมีอะไรก็แฉนนะในช่วงแรกที่มาไปอยู่มีมีพ่อครัวคอยดูแลอยู่เมื่อคยได้อรารมณ์พ่ออะไรก็รกินสันดีเกินไปทีนี้ไม่รู้ว่าเป็นยังไงพ่อครัวเขามีอันต้องลงมา ลงมาก็อยู่คนเดียวที่นี่ก็อยู่คนเดียวก็จะทานอะไรมีอะไรก็ทานอันนั้นเนี่ยนะก็ให้มันผัดผ่านไปมีถั่วสามเม็ดถ้าไม่ได้กินถั่วมีใบไม้ใบหญ้าก็จับเชี่ยวๆพอมันหายแล้นไปเหลื อ, อนักนันเวลามันหิวเราก็ฉันน้ําแทนที่ถา้าที่ท่านอยู่เขาเรียวกว่ถาถ้าดูดทำไมที่เรียกว่าถ้าดูกเพราะว่ามันมีโศกลึกลงไปเนี่ยน้ํามันเวลาฝนตก แรงๆในน้ำมันไหลจากข้างบนไปลงในในในหิวตรงนั้นที่นี้สงสัยว่าพระที่ขึ้นไปอยู่เนี่ยคงจะไปตวงเอาน้ําเวลาฝนตกแล้วพร ะ, ะตกลงไปนล้วก็เหลือแต่กระดูกอยู่ในในหลุมลึกๆเนี่ยแล้วเขาก็เก็บกระดูกขึ้นมากองไว้ที่ในที่ถ้าที่อยู่เนี่ยในที่พักเนี่ยมันจะขอดเป็นข้นหอยเข้าไปเวลามีคนไปหาก็จะอยู่เชิงถ้าข้างนอกเนี่ยแล้วก็เดินจุคุมกลางวันข้างนอก เลากลางคืนเวลาใครไปหามา ก, าก็หลกก็กลนหอยเนี่ยมันหอยสังเลที่ในนั้นอ่ะถ้าเรากองเอากระดูกของพระหรือนักปฏิบัติคนไหนเนี่ยไปกองไว้ตรงนั้นแล้วก็ที่พระก็นอนอยู่ตรงนั้นนอนกระดูกนั่นแหละเราเรียกว่าทำดูกเพราะนั้นมีอะไรที่ที่ทดสอบเราแต่ที่มาไปอยู่ที่นั่นสิบกว่าวันมันมีนิมิตได้นิมิต ด, ดีมากๆเลยนะ <c oughs> ก็ทําให้มีกําลังใจในการปฏิบัติเพราะฉะนั้นเองการที่พระ ทุกองท่านชอบไปอยู่ป่าอยู่ถ้ำอยู่เขาเนี่ยนับไม่ท้วนนะแต่ว่าผู้ที่สำเร็จออกมาไนี่มีไม่กี่รูปอะ่ะเพราะจะต้องต่อสู้กับกำลังของขามานเพราะมารเยอะโดยเฉพาะเทวบุตรเทวบุตรมาร น, นะเทวบุตรมารคือกลุ่มเทวดาเนี่ยมาหลอกมาในรูปแบบต่างๆวันไหนคืออยู่ป่านะไม่ใช่ง่ายวันไหนที่เราจิตของเราไม่ดีนะมันจะมีอะไรมา รบกวนเราเดีแย่เดี๋ยวมดเดียวแมงเดียวยุงเดียวอะไรวันไหนได้อารมณ์ดีเดี๋ยวอากาศมันโปร่งมันสบายมันสดใสไปหมดไม่มีอะไรรบกวนเพราะฉะนั้นการที่อยู่ในป่าในถ้ำในเขียวเนี่ยมันมีสิ่งทดสอบโดยเฉพาะเขาเนี่ยมันมีอะไรแปลกๆอยู่เยอะเพวัะ น, นั้นพระมาจากโค ร, ราชเป็นพระหนุ่มมาจากโค ร, ราชมาตามขึ้นไปสองรูปรูปหนึ่งอี่วิถทางหนึ่งรูปหนึ่งก็ไปอยู่ที่ตะมา จะมาบอกว่าปฏิบัติร่วมกันมาแล้วปฏิบัติร่วมกันก็ให้สร้างจังหวะเดินจงกรมใไปอยู่ถ้าข้างล่างอีกถ้ำหนึ่งก็ก็เที่ยวไปถามว่าเป็นไงปฏิบัติไหมปฏิบัติบ้างไหมปฏิบัติบ้างก็ทําให้จริงจังนะคือแต่เป้าหมายคือต้องการไปเที่ยวดูป่าดูถ้าดูหิวทีนี้วันต่อมาก็ต้องการไปหาเพื่อนอีกถ้ำหนึ่งทีนี้พอมาหาเพื่อนไม่เจอเพื่อนเพื่อนออกไปก่อน ก็ตามหาตามหาหลงป่าอยู่สี่ห้าวันในช่วงสี่ห้าวันฝนตกตลอดเะยปรากฏว่าพาเพื่อนอีกองค์หนึ่งไปลงอีกถ้ำหนึ่งโยมเอามาส่งที่นี่เดินไม่ได้บาดแผลเท้าไปเหยียบหินพลาดมันลื่นนะฝนตกปินเป็นแผลแล้วอีกองหนึ่งก็ไปหลงป่าไปนอนอยู่ในโพรงไม้ กลับออกมาลื่นกลัวเป็นแผลเวอะหวะหมดก็ท่านพงก็นําส่งทั้งสองคนงส่งโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นใครที่ว่าคิดว่าอยากจะไปทําก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็ในการปฏิบัตินั้นถ้ามีจิตเป็นกุศลจริงจริงมันจะไปได้ไวมากอย่างที่ท่านพูดความสงบส ง, บสงดัดแต่ว่าจะต้องมีสิ่งทดสอบว่าเราเอาจริงไหมมีหมูป่าบ้างมีเสือบ้างมีหมีบ้างนะ มีลิงด้วยเฉพาะหน้าถ้ำดิดี่สามสี่คนที่ขึ้นไปวันนั้นไปสิบกว่าวนะันเนี่ยโดนลิงทดสอบเยอะแยะอย่างเง้ถ้าวันไหนไปไปเล่นไปล้อมันเดี๋ยวมึงจิ้งหินลงมาใส่ยู่ดีๆถ้าหากว่า <c oughs> ไม่ตั้งใจปฏิบัติหมวไปหาอาหารก็เดี๋ยวก็มีงูออกมานอนเลื้อยกายผ่านกันอยู่แถวนั้นถ้าหากว่าไม่ตั้งใจจริงๆก็ถูกทดสอบนั่านั้น ทั้งนั้นที่นําเรื่องนี้มากล่าวก็คือว่าการปฏิบัติธรรมนั้นถ้าเราไม่มีสิ่งทดสอบเราไม่รู้หรอกว่ากําลังสติเรามีแค่ไหนนั่นการปฏิบัติอยู่ตามบ้านตามเมืองที่ไม่มีสิ่งทดสอบมันก็ประเมินยากเหมือนกันว่าเราก้าวหน้าแค่ไหนเราออกมาอยู่ประป่ายนี้ก็จะดีอย่างหนึ่งแม้แต่นอนกลางคืนมีแมวเข้าไปหาเราก็กลัวแล้วใช่ไหมถ้ามีอะไรที่หนักกว่า น, นั้นเราจะทำยังไง มันไม่มาก็ยังคิดถึงมันอีกมันมาจะทําเจ้าคิดป ร, ะนะรงปุงแต่งเพราะฉะนั้นเรื่องปรุงแต่งของเราเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากแต่ว่าไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยนะอย่างแม่แ ม, แม่อ้วนที่พูดถึงเมื่อคืนเนี่ยทําอยู่กับบ้านเนี่ยแต่ก็มีสิ่งทดสอบคนนี่แหละไปทดสอบไม่ต้องศื่อสารลายสัตว์นะคนเขาไปทดสอบนะคนเขาทดสอบยิ่งดีๆมื่ดีคนที่เราปฏิบัติอยู่ในเมืองนี่อาจจะเข้มแข็ ง, ขงอยู่ในป่าเพราะคนทดสอบนี่มันยิ่งกว่าสัตว์ทดสอบนะเพราะคนนี่มีอะไรมา นะโดยเฉพาะอย่างที่ว่าอยู่พระอยู่พระกรรมาฐานอยู่ตามวัดบ้านแล้วก็เขาก็ไปทดสอบทดสอบขอหวยบ้างขอเบอร์ บ, าบร้บางขอน้ำมูกน้ํำมนต์บอันนี้ยิ่งอันตรายมากทดสอบอแบบนี้ถ้าเลยมีเชื้อแห่งความโรบนิดเดียวแล้วก็ไปกับเขานะแล้วก็มรรคผลของเราก็สลายตัวได้โดยง่ายงั่นคือจึงยากดังนั้นก็ต้องใช้ความพยายามนะนั้นมามีความแนวความคิดว่าต่อไปพระชีที่เข้ามาอยู่ที่ใจส่งขึ้นไปทดสอบข้างบน ใครรอดกลับมาก็อยู่ได้ใครไม่รอดกลับมาก็ออกไปตรงนี้ใช้เป็นที่ทดสอบผู้ที่ต้องนกนรมรรผลจริงๆไม่ใช่เป็นที่อยู่ที่กินไม่ใช่ที่พินที่หลบที่นอนสบายเมื่อวานที่นั่งอยู่เดี๋ยวมีคนตาบอดคนหนึ่งโทรมาจากนครสวรรค์ถามหลวงพ่อผมจะเข้ามาปฏิบัติ ด, ด้วยถ้าจะมาอย่างไรผมเป็นคนตาบอดนะครับผมทุกข์มากทุกข์มันลุมเล้าตลอดเวลา เอ้าคุณตามไม่เห็นคุณจะทุกข์ทำไมล่ะอ้าหูผมได้ยินอยู่นะได้ยินเรื่องอะไรก็แฟนผมไปมีคนใหม่ว่างอนกันเอ้าคุณไปรู้จักแฟนได้ไงว่หน้าตาเป็นไงคุณรู้จักเขาอะก็ผมได้ยินเสือเขามันเพลาะว่างอนกันนะสมน้ำหน้าคุณในขณะเขาไหมแล้วจะผมจะทําให้คุณตอนแรกให้คุณปฏิบัติกันนะเพราะคณตาบอดนี่เขาไปรู้จักคุณเขมคุณเขมที่เป็นลูกศิษย์อยู่นคสวรรค์ เราก็บอกว่าให้ปฏิบัติตั้งแต่ตีสี่ถึงหกโมงเช้าทุกวันนะทำสักสวันไม่อยงนั้นถ้าคุณไม่ทำนี่คุณฆ่าดวงใจแน่เพราะอะไรคุณแฟนคุณไปมีแฟนใหม่เพราะท่านที่คุณดาวบอร์ดเขาเป็นเจ้าของโรงนวดด้วยนะเขาเป็นหมอนวดดาวบอร์ดนั้นนั้นมันกิเลสมันได้การมากแม้แต่คนดาวบอร์ดมันก็ไม่ไว้หน้าหรอกมันไม่ไว้หน้าหรอกแล้วมันจะเอานะส่วนดาวบอร์ดหูหนวกมันเอาได้หมดนะเพราะนั้นมัน แต่ละตัวมันหลายๆแต่มันเป็นเรื่องที่ท้าทายเพราะเราเป็นมนุษย์และเป็นมนุษย์แล้วก็มีความรับรู้อะไรต่างๆแต่ที่สําคัญทุกคนที่เรามาที่เนี่ยมีมนุษย์ที่มีศรัทธามีความเพียรและมีปัญญานะถ้าคนั้นไม่มีศรัทธาไม่มาที่เนี่นะไม่มีความเพียรก็ทำกับพวก เ, เราไม่ได้ก็เ ร, เราทํากันทั้งวันเนี่ยเราทําเพื่ออะไรเพราะว่าภพชาติที่ผ่านมาเรียนเราทุก ตกนรกมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วต่อไปข้างหน้าอีกถ้าเราไม่บรรลุมรรคผลนิพพานนะเราจะต้องไปเกิดแก่เจ็บตายตกนรกอีกไม่รู้เท่าไหร่นี่มันไม่ไหวนะมันไม่ไหวมันนานเกินไปอะ่ะถ้าไปเกิดเป็นเทวดาไม่รู้กี่หมื่นกีพันปีกูจะได้กลับมาเป็นมนุษย์อีกนะแล้วถ้าไปเกิดเป็นเป็นพระพรหมอะ่ะพระพรหมนี่ว่าก็เป็นหมื่นปีนะกูจะได้ จะได้บรรลุธรรมนะดังนั้นเองเราเกิดมาเป็นมนุษย์ในชโชคดีแล้วที่มนุษย์หมายความว่าสุ ข, สขทุกข์กกนะสุขบ้างทุกข์บ้างแล้วมีโอกาสแสวงหาธรรมมันเป็นเซนเตอร์ไปศูนย์กลางในการสแสวงหาไปนรกก็ได้ไปสวรรค์ก็ได้ไปนิพพานก็ได้แล้วแต่จะปรารถนาแต่ถ้าเป็นเทวดาก็อยู่สวรรค์อย่างเดียวเป็นพระพรหมก็อยู่โพรหมอย่างเดียวถ้เป็นสรนนรกก็สวยบายภูมิอย่างเดียว ม, มันเลือกไม่ได้ แตเป็นมนุษย์มันเลือกได้จะเลือกไปสวรรค์จะเลือกไปพระอินทร์พรมจะไปเลือกไปนิพานได้เนี่ยที่เราโชคดีที่ว่าเกิดเป็นมนุษย์เพราะมันเลือกที่จะทําได้แต่เราจะทําให้ทําอยู่ที่ว่าเราเจอกัลยาณมิตรไหมเกเรญญาเจอกัลยาณสหายไหมเจอสิ่งแวดล้อมที่ดีไหมถ้าเจอทั้งสาประการนี้แล้วถ้ายังไม่บรรลุธรรมก็ถือว่าอาภัพที่สุดละนะอภัพที่สุดละไมนมีวายาสนา ดังนั้นเงื่อนไขาสามประการที่สำคัญมากเจอกิริยาณมิตรคู่ใบาอาจารย์ที่ที่แนะนําถูกเจอกิริยาสหายผู้ใฝ่ธรรมด้วยกันผู้ปฏิบัติ ด, ด้วยกันมีทิฏฐิมีความคิดเห็นไปทางเดียวกันไม่ขัดไม่ขัดขวางกันก็เรียกกิริยาณสหายแล้วก็กิริยาณสัมปวังกาตามีสิ่งแวดล้อมเ อ, อื้อมีสถานที่ดีมีอาหารดีมออีธรรมะปฏิบัติถูกจริตแล้วมีบุคคลแวดล้อมช่วยเหลือเกื้อกูลเนี่ย เราเรกว่าสำปวังกะตาดังนั้นการเฉลิญเสติอย่างนี้ก็แล้วแต่อินทร์สีของแต่ละคนแต่ขอให้มีความจริงใจจะทำอยู่กับบ้านก็ยังไม่อ้วกพูดพิคืนทำได้จะทำอยู่กับวัดถ้าถ้าทอยู่กับวัดถ้าไม่เจอเทวดาลูกลานเทวดามิชาทิถีนะแต่เทวดาสมาธิถีก็จะเป็นตัวสนับสนุนเราแต่ถ้าเป็นเวลาเทวดามิชาทิถีก็จะเป็นตัวยุยงเราไปทางผิด นะอยู่ที่นี่ก็เทวดาเลี้ยงเราใช่ไหมเราแม่ครัวนะเป็นเทวดาทั้งนั้นนะ่ะเลี้ยงเรานี่เป็นเทวดาสมาธิฐิคอยหุงหากินไม่ได้ค่าจ้างรางวัลอะไรยังควกกระเป๋ากับตัวเองกินนะผักปลาผักหญ้าผักนางหางหญ้าอยู่ที่ไหนเทวดาเหล่านี้ก็ไปหามามาดูแลเราแต่ถ้าเราอยู่แล้วถ้าเราไม่ปฏิบัติอย่างจริงจังเราก็ไม่มีบุญที่จะไปให้แก่เทวดาเหล่านี้ เราก็ต้องหมดบุญวันใดวันหนึ่งพอหมดบุญก็อยู่ที่นี้ไม่ได้แล้วไปนะดังนั้นการเจริญสติจึงเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ซึ่งแม่อ้วพูดมาไม่คืนชัดเจนว่าจะต้องไปตามอารมณ์ตามขั้นตอนไม่ใช่ปฏิบัติไปมั่วๆแล้วจะไปทะลุไม่ใช่นะเหมือนกับเดินทางเนี่ยมันจะต้องมีตอกมีซอกมีซอยมีที่อยู่ที่แน่นอนสมมติว่าเราจะไปบ้านคนนี้เนี่ยไม่ใช่เราเดินทางไปยังไงก็ได้ไปถึงไม่ใช่ <c oughs> เราต้องรู้เสก่อนว่าไอ้จากที่จะไปถึงบ้านนี้ได้มันจะเข้า อกไหนออกซอยไหนเลี้ยวตรงไหนต้องต้องรู้จักทางแน่นอนบอกว่าเดินไปเหอะเดียวถึงเองเนี่ยตามหลักความจริงเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแต่ปัจจุบันคนเอาปฏิบัติไปเหอะเดียวมันดีเองมันไม่ได้มันจะต้องรู้ทิศทางแน่นอนไอ้การทิศทางแน่นอนนี่คืออาศัยกะยะายานมิตรมีอยู่ครั้งหนึ่งมีพราหมณ์คนหนึ่งไปทูลถามพุทธเจ้าว่าการที่พระองค์สอนมา 30- 40ี่ปีเนี่ย ผู้ที่พระองค์สอนเนี่ยได้บร ร, รบคคลุเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระหันกันทุกคนไหมนะพุทธเจ้าก็ถามว่าดูก่อนพามท่านมาจากไหนมาจากเมืองมกขจากมคขมาถึงที่เนี่ยท่านท่านมาอย่างไร <c oughs> บอกทาง <c oughs> บอกอรายละเอียดทางเนี่ยถูกไหมถูกออกจากเมืองนั้นมาสู่ถนนนั้นออกถนนนั้นก็มาสู่หมู่บ้านนี้ออกจากหมู่บ้านนี้ผ่าน ตำบล น, นั้นออกจากตำบล น, นั้นมามาสู่วัดนี้แล้วถ้าจะแนะนำคนที่ไปตามนั้นแนะนาถูกไหมถูกแต่ว่าเขาจะไปถึงท่านที่ท่านบอกทุกคนไหมนี่คือวิธีการของพรุทธเจ้านะดูให้ดีบอกว่าคนไหนเดินตามที่พราพุทเจ้าแนะนาถูกเขาก็จะไปถูกที่พราพเจ้าบอกแต่คนไหนแนะนาคนไหนทำตามที่เขาพเจ้าแนะนำไม่ถูกเขาก็ไปไม่ถูกเพพุทธเจ้าชันใดพรามเราก็ฉันนั้น อาคาดตารูตะทาคตาเราตะทาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกทางส่วนการเดินทางในเรื่องของแต่ละคนเพราะฉะนั้นคนที่มาปฏิบัติมาศึกษากับเรานี่ยไม่บรรลุไม่รู้ธรรมถึงทุกคนคนเฉพาะเดินทางตามที่เราแนะได้ถูกต้องเท่านั้นคนนั้นจะเข้าถึงจุดมุ่งหมายเห็นไหมดูก่อนพราหมณ์การที่ท่านเดินมาตรงนี้ผ่านผ่า น, านหมู่บ้านตรงไห น, นท่านจําได้ดีแต่เมื่อมีใครมาถามท่านก็ แนะนำได้เราก็เหมือนกันเราผ่านทางเส้นนั้นม า, าทางอะไรมักมีองค์แปดแล้วใครจะเดินตามมักนี้เราแนะ่ได้ทุกแง่ทุกมุมเพราะเราเดินเป็นปกติวิสัยเหมือนกับพามเดินทางมาที่นี่มาได้ทุกวันทุกเดือนทุกปีก็ย่อมจะจำทางได้ดีว่าเลี้ยวตรงไหนจะลัดอย่างไรจะโค้งอย่างไรรู้ได้ดีสันธะก็ดีทางใส่ในทางมักมีองค์แปดเราจะถาคพก็แน่อย่างนั้นในบาลีที่ท่านบอกว่าอาฆาตารถถุตถาคาตาตุมเฮหีกิจจัง ข่าตาโรตถาขาตาปฏิปนาวิโมขติปฏิปันามโมขติโมขติชาติมารพัฒนานะว่าท่านทั้งหลายต้องทําความเพียรด้วยตนเองเราตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกผู้มีปกติเพ่งพินิษฐ์พิจารณาด้วยปัญญาผู้นั้นจะพ้นจากความหลงคือบวงแห่งมารที่พระุทธเจ้าตัดไว้ที่ชัดเลยว่าท่านทั้งหลายต้องเดินทางด้วยตนเองนะ แต่เราแตทาโคตเป็นผู้บอกทางแต่ผู้มีปกติเดินทางอย่างทีท่วนอย่างแยบใครอย่างใช้ปัญญาผู้นั้นจะไม่หลงทางที่ท่านบอกไว้แค่นี้เพราะฉะนั้นเองที่มาบอกทุกวันคือบอกทางนั้นเองว่าหน้าที่ของผู้ดีเจ้ามีสี่อย่างใช่อย่างที่หนึ่งก็คือเปิดของที่ปิดอย่างที่สองก็คือายของที่คว่ำอย่างที่สมบอกทางแก่คนหลงทางอย่างที่สี่ก็คือชูแสงสว่างในที่มืด ให้คนมีดวงตาได้เห็น น, นี่หน้าที่ของพุทธเจ้าทุกองค์หน้าที่ของพระอรหันต์ทุกองค์จะทําหน้าที่อันนี้เนะี่ยว่าเปิดของที่ปิดให้เราเห็นเปิดของที่ปิดเปิดยังไงตลอดเวลาว่าที่เรายังไม่ได้สดับคําสอนของพระุทธเจ้าเนี่ยเราสําคัญว่าตัวเราเนี่ยเป็นเราเป็นฉันเป็นกูเป็นของกูเนี่ยแต่พอพระนั้นเปิดขึ้นบอกว่าตัวเรานี้ไม่ใช่ของเรานะมันเป็นของอนิจจังทุกขังอนัตตา นี่มาเปิดของที่ปิดแล้วเราก็ขมวดและดิจังทุกขังหน้าตาแทนตัวเราใช่เพราะนานเข้านั้นเข้าเราก็มัดยึดตัวเราเป็นตัวเราแล้วว่าเอออันนี้มันเป็นรูปแห่งอันนี้จังทุกขังหน้าตานั้นไม่ใช่ตัวเราทีนี้ใครจะมาด่ามาว่ามาดูถูกเหยาดย้มใครจะมาฆ่าเราก็ไม่ทุกข์ลกเพราะมันมันเป็นอนนี้จังทุกขังหน้าตาตนแปละไม่ใช่ตัวเราแต่ก่อนหน้านี้ที่เราไม่รู้เนี่ยอย่ย ว, ว่าต้องมาฆ่ามาแกงอยู่มาพูดผิดหูนิดเดียวเราก็โกรธแล้วใช่ไหม เพราะไอ้ความซับขันมันหมายตัวเรามันสูงมากใครมาพูดไม่ถูกหูเราก็ไม่ชอบแล้วใช่ไหมหรือจะว่าไม่พูดไม่ถูกหูแม้แต่กินอาหารไม่อร่อยปากนี่เราก็ไม่ชอบแล้วใช่ไหมนิดเดียวแค่ น, นั้นอนะ่ะเพราะอัตราของเราสั่งสมไว้เนี่ยมันแรงแต่ถ้าหากว่าอะไรก็ตามทุกอย่างเป็นนิจจังทุกขังหน้าตาหมดไอเราตัวเราเป็นนิจจังทุกครั้งาตาสิ่งที่เราไปสัมผัสก็เป็นนิจจังทุกขั้งหน้าตาเมื่อทุกขังหน้าตามามาประสบกระทบกันมัน ก, ก็ทําหน้าที่เราก็ทําตามหน้าที่ให้ถูกเท่านั้นเองนี่กด แล้วไงายของที่คุ่มไงายของที่คุ่มไงายยังไงเพราะของที่มันคว่มอยู่ไงขึ้นถ้าเปิดของที่ปิดกเหมือนถ้าขวดที่มันปิดแล้วก็ปิดฝาแต่ไงายของที่คุ่มของที่มันขุ่มอย่างนี้เราไงขึ้นอย่างนี้ว่าทุกเราที่มันเกิดนั้นไม่ใช่ว่ามันเกิดมา ล, ลอยๆมันมีเหตุพระพุทธเจ้าไงายขึ้นดูทุกมันเกิดเพราะมีเหตุเกิดเพราะเหตุคืออวิชชาใช่ไหม แล้วก่อนหน้านเราไม่รู้จักคำว่าอวิชชาอ๋อแต่ถ้าหากว่าไงขึ้นดูแต่ไม่ให oh. so so ้มันเกิดก็ได้ก็ทําวิชาให้เกิดเราก็มาเจริญความรู้ให้มากๆเมื่อความรู้นั้นเกิดวิชาแล้วก็ไปทําลายตัวอวิชาถือความไม่รู้สึกตัวก็หงายขึ้นมาอ๋อเป็นอย่างนี้เองแต่ก่อนหน้าไม่มีใครไงายเลยว่าระหว่างวิชากับวิชามันมีควอมอยู่อย่างนี้พอไงขึ้นอ๋เรารู้แต่ค้อมเป็นวิชาพอไงขึ้นข้อมนี้เป็นวิชาน อวิชาหงหนขึ้นเป็นวิชาเนี่ยเรืงง่องหงายของที่ค่วมเปิดของที่ปิดบอกทางแต่คนหลงทางก็คือ ค, อคนทุกคนที่จะไปสู่จุดที่ผ่านยังไม่รู้จะไปทางไหนแต่น้นว่าพระพุทธเจ้าท่านเดินทางนี้เดินทางมักแปดเชลเชลนี้ชนานานญะมาบอกเราเราก็เดินตามเราเดินตามได้ถูกแต่ก่อนนั้นเราหลงทางมาตลอดแล้วก็ไปทางตันหาอุปทานเราไม่ได้ทางมักผลนะแต่พระพุทธเจ้ามาบอกทางมักผลให้เราเราก็ไปตามคนไหนไปถูกก็บรรูุถึงมักผลคนไหนไปไม่ถูกก็ ไปตามทางของอวิชช า, าหาวัฏานเหมือนเดิมนี่เขาเรียกว่าบอกทางแต่คนหลงทางแล้วก็ชูประทีปในที่มืดนะหมายถึงว่าคุกคนบางคนมีปัญญาอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่มีแสงสวา่างเหมือนข้อมีดวงตาอยู่แล้วแต่ว่าจะเดินไปข้างหน้าเนี่ยเพราะชี้ของเราในมื ด, มดด้วยราคะโทสะมหะคนจะมีปัญญาเลิศที่สุด ก็ยังมีราค่าโทสะโมหะอยู่เพราะยังไม่มีแสงสว่างเขาก็เดินไปตามความโรคปวดลงอยู่อย่างนั้นตลอดคนที่มีปัญญาเป็นเลิศเป็นขั้นอจัจฉริยะในโลกนี่ไม่น้อยนะแต่คนที่ได้แสงสว่างมีสักกี่คนนะพอคนนั้นเจอแสงสว่างปับ๊บ อ, อแสงสว่างว่าไอ้จิตของเราเนี่ยเดิมมันเป็นจิตเดิมนี่มันไม่ได้มีไม่มีความโรคปวดลงนะจิตเดิมไม่มีราค่าโทสะ ม, มาก่อนนะ แต่ว่าพอเราเฝือมีความไม่รู้จักตามความเป็นจริงไม่มียถาภูติยานเราก็ไปสร้างเรื่องให้จิตทําให้จิตรกรุงรังไปด้วยความคิดรกรุงรังไปด้วยอารมณ์โรคกวดหล ง, ลลลงเราก็เอาตัวความพอใจไม่พอใจมาทับถมจิตของเราก็เลยอับแสงสว่างไปเหมือนกับพระอาทิตย์ความจริงพระอาทิตย์ไม่ได้มืดในวันว น, นี้ที่มาเห็นแสงไ ห, ไหหมายความว่าอาทิตย์อับแสง แต่เพราะมีเมฆหมอกมาบังหลายๆชั้นทํำให้พระิรั์อาทิตย์มืดมืดไปชั้นก็ดีจิตของเราเนี่ยมันไม่ได้มืดมันุ่อุณการอย่างที่ว่ากันจิตของเราเนีนทุกคนทุกดวงสว่างสวัยอยู่เหมือนเดิมเท่าเดิมแต่ที่มันมืดบ้างสว่างบ้างมืดสนิทบ้างมืดธรรมดาบ้างก็เพราะเมฆหมอกแห่งความคิดและอารมณ์เข้าไปบดบังมันไวพระพุทธเจ้าชูแสงสวาง่างตรงนี้ให้เห็นว่าอะไรคือเมฆอะไรคือหมอกของอารมณ์ แล้วท่านก็บอกวิธีการ <c oughs> ขจัดนี่เขาเรียกว่าชูแสงสว่างในที่มืดให้แก่คนที่มีดวงตาจะได้เห็นนี่คือหน้าที่ของพุทธเจ้าเปิดของที่ปิดหงายของที่ค่วมบอกทางแก่คนหลงทางแล้วก็ชูแสงสว่างในที่มืดนะฉนั้นพวกเราถึงโชคดี ว, ว่าได้พบคำสอนของพุทธเจ้ายังอยู่ได้พบคนที่ปฏิบัติตามทางของพพุทธเจ้ายังอยู่แล้วก็ได้เห็นปฏิปทาของผู้ที่ปฏิบัติว่ายังถูกต้องอยู่ เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ขึ้นอยู่กับวัฒนาบา ร, รมีของพวกเราว่าเราจะเดินตามได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยคนที่มีพลังมีศรัทธาสูงก็จะเดินทาเดินตามได้ไกลคนนี้มีพลังศรัทธาอ่อนความเพียรอ่อนก็เดินตามได้ใกล้ได้สั้นนะอันนั้นมันก็จะบอกถึงความปลอดภยัยยิ่งเดินทางขึ้นสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งปลอดภัยมากเท่านั้นนะถ้าอยู่ในระดับพื้นผิวธรรมดาแล้วก็ปัญหา และอันตรายต่างๆก็ยังมีนะดนั้นเองก็อยากจะแจ้งให้ทราบว่าเราโชคดนะีแต่ว่าโชคดีที่จะมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับขนขวายจะสู้มานไหวไหมจะสู้สิ่งแวดล้อมไหม่ไหมนะี่ในขณะที่มีพละงกำลังอยู่เนี่ยในสมัยขั้งพุทธการ <c oughs> การรับคนเข้ามาปฏิบัติที่พพุทธเจ้าไม่รับคนอายุมากเท่าไหร่นะรับคนหนุ่มคนสาวคนที่ แต่ถ้ารับคนแก่เนี่ตรวจสอบกันว่าเอาจริงไหม <c oughs> มีอยู่ครั้งหนึ่งราทาพามอา ย, ยุสักหกสิบานะมาขอปฏิบัติด้วยพุทธเจ้าก็ถามพระทั้งหลายว่านี่ราทาพามคนนี้มีอัธยาศัยใจคอเปไงเป็นคนมีศรัทธาไหมพระสรีบุตรก็บอกว่าครั้งหนึ่งข้าพเจ้าเคยไปมิถุบาดผ่านหน้าบ้านราทาพามเนี่ยเคยใส่ข้าว เคยใส่บัตเขาจะไปทัพพีหนึ่งเออเดังนั้นสารีบุตรเธอจงรับลาเท้าฟังไปฝึกดูถ้าฝึกดีก็เอามาปฏิบัติถ้าฝึกไม่ได้ก็ไม่ได้เพราะคนอายุมากแล้วนั้นมีสติสัมยาบกคล่องลงไปมีทิฏฐิมานะมากมีอดีตอนาคตมากเกินไปจะถูกความคิดและการปรุงแต่งรุมเรา้าจะสู้ไม่ไหวน่ะแต่ผู้ที่อายุผู้สูงอายุคนใดมีความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่มีทิฏฐิมานะ มิสติสัญญายเข้มแข็งก็สมควรที่จะเข้ามาปฏิบัติสามารถบรรลุมรควุณนิพพานได้เหมือนกันแต่สําหรับค น, คนหนุ่มนั้นอดีตอ น, นาคตยังไม่มากทิฏฐิมณะยังไม่แรงแล้วก็มีสติสัญญาย ท, ที่ที่ปรับให้เข้มแข็งได้ น, นี่อย่างนี้เพราะนั้นที่นี่พระลวงตาเข้ามาเยอะนะก็จะอยู่ไม่ค่อยได้แต่พระหนุ่มเข้ามาเนี่ท่านชอบพิสูจน์ไงก็อยู่กันได้แล้วก็เข้าถึงสภาวะธรรมได้ง่าย ดันั้นผู้สูงอายุไม่ต้องไม่ต้องน้อยใจนะว่าถ้ามีความอนอมถมตนมีทิฏฐิมานะ น, น้อยมีสติสัมญายเข็งแข็งก็เข้าถึงมรรคผลได้เหมือนกันแต่สําหรับคนหนุ่มคนสาวนี่เข้าถึงมรรคผลไดง่ายถ้าต้องมีข้อแม้นะถ้าไม่มีทิฏฐิมานะมีความมีศรัทธามีความเพียรและมีปัญญาในการค้นคว้ายอยู่เสมอเข้าถึงมรรคผลที่ผ่านได้นะ <c oughs> ดังนั้นในวันนี้นะเป็นวันปฏิบัติเรื่องของ อารมณ์นะเรียกว่าธรรมานุปัสสนาก็จึงเอาอารมณ์หลากหลายมานำเสนอช่วงเช้าท่านวิมลนําเรื่องชีวิตจริงที่การอยู่ในป่าท่านมาจะชวนไปช่วยงานที่ไหนไกลๆท่านก็ไม่ไปนะอยู่แถวนี้จยว่าท่านติดสงบก็ไม่ใช่ฉันบอกว่าชี้เกียรไปสู้กับอารมณ์ของมนุษย์เวลามีงานก็ชวนท่านลงมาช่วยงานเสร็จ ง, งานเมื่อไรท่านก็ขึ้นเทําหายลิฟไปเนีน่ะ ก็จะจะเห็นว่าพระหนุ่มที่ขอนขวงอย่างนี้ก็มีน้อยนะส่วนใหญ่เราก็ตกเป็นเป็นาธาตุของอะไรหลายอย่างนะดังนั้นช่วงเช้าวันนี้เราจะไม่มีโยคะนะจะเดินจมกล่มกันสักรอบสองรอบแล้วเราก็จะกลับมารับอาหารเช้าก็สมควรคือเวลานะตอนมูธนาเรากลับราบพร้อมกัน